ถามคำว่าอาจินไตหมายถึงอะไรมีกี่อย่างอาจินไตแปลว่าสิ่งที่ไม่พึงคิดคือไม่อาจรู้ได้ด้วยการคิดและถ้าขืนจะคิดให้รู้ให้ได้ก็จะกลายเป็นผู้มีส่วนเห็นความเครียดเป็นบ้าเสียสติไปแต่ที่ว่านี้ไม่ได้หมายความว่าพระพุทธเจ้าห้ามหรอกนะท่านเพียงแต่บอกความจริงว่ามันเป็นอย่างนั้น ตามหลักของพระพุทธศาสนานี้ไม่ใช่พระพุทธเจ้าไปห้ามใครเป็นแต่เพียงบอกว่าไม่ควรคิดถ้าคิดแล้วมันจะทําให้มีส่วนแห่งความวิปริตของจิตเกิดขึ้นคือไม่คิดไม่ออกก็จะฟุ้งเพ้อไปเลยฉะนั้นท่านจึงบอกว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรคิดคือไม่อาจรู้เข้าใจได้ด้วยการคิดต้องรู้ประจักษ์ด้วยประสบการณ์ของตนเองโดยพัฒนาปัญญาให้เกิดขึ้น อาจินไตมีสี่อย่างมีมาในอังคุตรนิกายจตุ ก, การนิบาทพระไตปิดกเล่มยี่สิบเอ็ดคือหนึ่งพุทธวิสัยคือเรื่องปัญญาความสามารถของพระพุทธเจ้าว่าเป็นอย่างไรรู้ได้อย่างไรทำได้อย่างไรเรื่องนี้ก็เป็นธรรมดาอยู่แล้วปัญญาของเราไม่ถึงใครและจะให้อย่างรู้ถึงทันเท่าคนนั้นย่อมคิดไม่ได้คิดไม่ออก เรื่องที่เห็นเห็นกันอยู่เพราะฉะนั้นอุทุชนจะเข้าใจสิ่งที่พระพุทธเจ้ารู้หรือคิดเรื่องการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าออกได้อย่างไรก็ต้องพัฒนาตัวไปจนกว่าจะมีปัญญาอย่างนั้น 2. อชานวิสัยคือวิสัยของชาญจิตนั้นมนุษย์ก็มีอยู่ด้วยกันทุกๆกคน แต่มนุษย์ปุถุชนก็ไม่เคยรู้จักไม่เคยเข้าใจธรรมชาติของจิตและการทำงานของจิตของตนเองเลยแม้แต่ความฝันตัวเองก็ฝันอยู่แต่ก็ไม่เข้าใจความฝันนั้นความรู้เรื่องจิตที่มีอยู่ในตัวเองหรือที่เป็นตัวเองนี้มีน้อยอย่างยิ่งทีนี้สภาพจิตที่เป็นฌานนั้นเกิดจากสมาธิที่แน่วแน่ถึงขั้นที่เรียกว่า อ ป, ปนาเป็นประสบการณ์ที่เกิดจากการฝึกฝนพัฒนาจิตยิ่งรู้เข้าใจยากยิ่งกว่าสภาพจิตสามัญคนทั่วไปจึงไม่อาจคิดให้รู้เข้าใจได้เป็นเรื่องที่ต้องฝึกฝนพัฒนาขึ้นมาแต่ก็เป็นสิ่งที่ทุกคนอาจรู้เข้าใจได้ไมิใช่ด้วยการคิดแต่ด้วยการทำเอาสา เรื่องการให้ผลของกรรมเรื่องนี้มนุษย์ปุถุชนคิดอย่างไรก็ไม่สามารถมองเห็นชัดเจนจนถึงที่สุดเราก็รู้เข้าใจในแง่หลักของความเป็นไปตามเหตุปัจจัยแล้วก็คิดไปได้ระดับหนึ่งแต่จะให้คิดมองเห็นโล่งตลอดไปก็ไม่ไหว 4. เรื่องโลกจินตาคือความคิดเกี่ยวกับเรื่องของโลก จักรวาลจะกระพบว่าเกิดขึ้นอย่างไรจะมีการสิ้นสุดหรือไม่มีขอบเขตถึงไหนเรื่องนี้นักปรัชญาทั้งหลายชอบคิดแต่ให้คิดไปเถอก็คล้องอยู่นั่นจะคิดให้ออกก็ไม่ออกหรอก